พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้ลำดับที่ส1อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ห้ามกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าเกิดมากี่ครั้งก็ยังทุกข์เหมือนเดิมไปหาเสื้อติดลูกนองกับไรเนี่ยเบื้องนู้นวันจุกที่หาวสันด้ หลวงพ่อได้โบเสือออกไปมั่นเมนบอมันเป็นวัน่นวันพลรหัตที่หา่ามเลยพวกนั้นหลวงพอ่อเนี่โบเสือลูกน้องง่ไงไายๆเลยสุจริขั้นลูกน้องได้งานเลยเสือหลวงบกมนแน่แท่เปาหาลวงพ่อว่าออกไปเลยดังไปทั่วโลกบนด้านนี่วันศุกร์ที่ห้าปัจวาอีกวันนี้ดังไปทัวกกทววปท่วโล ก, กบนบานนี้ มันบอกแม่หลวงพ่อเย็นวันชุกที่สีขาจีว่าไอ้วันวันไอ้วันนี้เป็นวันพฤหัสมันบอแม่วันโงกขจีว่าเขาก็ีที่เอยงเมาลงไปพวันนั้นหลวงพ่อยังบวเสื่อมถูกหน่อลงไปเอ๊ะมันแมนบ่เนี่ยหลวงพ่อยังพ่อว่าขึ้นมาหลวงพ่อยังเอาปฏิทินมาเบิร์ใส่กันมาแลไปนี่แหละวันนี้เป็นวันพฤหัสที่ห้า ม ก, กราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสองแล้วก็ขอแจ้งข่าวล่วงหน้านะคณสัทธ า, าติโยมลูกหลานทุกคนผู้ได้ยินเสียงหลวงพอ่อคือทุกปีที่ผ่านมาพวกเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดแล้วก็ยกประเด็นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยแหละหลวงพ่อกระทำบุญเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันก็พวกเราทุกคนที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ทางวัดของเราตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดปี2522ัอี่ิอามตามจด ที่เขียนไว้ในกระดานพื้นปูนซีเมนนะเดือนกุมภายี่สิบสามกุมภาสองพันสียี่สบสามเดือนกุมภายี่สิบสามปีนี้เท่าไหร่สอง0ันห้า้ยหกสิบที่พวกเราเริ่มสร้างวัดป่านาคำน้อยมาตั้งแต่ปีสองสาม มาทิมาถึงปี2560แล้วผูกหญาตายายคณะสัตยาติโจมของเราที่ให้การสนับสนุนจะถูกปัจจัยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาให้แนวความคิดจนพวกเราได้รับความสะดวกสบายอย่างวันนี้นะก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นแต่บางคนบางท่านก็ได้ มรณะไปแล้วตายไปแล้วมรณะภาพไปแล้วที่เป็นพระแต่พวกเราได้รับความสะดวกสบายพวกนั้นมาถึงจุดนี้หลวงพ่อเองก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นนอกจากพวกเราที่อยู่เบื้องหลังปีหนึ่งก็ควรจะมีการทำบุญอุทิส่วนกุศลนิมนต์พระาจากวัดต่างๆ รูบาจานมาแล้วก็ทําพิธีแต่องค์หลวงตาเคยทำไหมท่านก็เคยทำนะสมัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาท่านทําบุญถึงโยงมบรดาของท่านรั้งว่าทำบุญอุทิศ ต, ต่อมาท่านก็เลยเปิดว่าทําบุญทําบุญเปิดโลกธาตุนะแต่นี้พวกเราก็ไม่ถึงทว่าทําบุญเปิดโลกธาตุอย่างไม่ใช่ไม่ควรอ สัพ์หลวงตาสับของหลวงตาที่ว่าทําบุญเปิดโลกธาตุแต่เราจะใช้แบบทําบุญแบบหลวงตาพูดเราก็ระวังตัวระวังคําพูดของเราอยู่แต่เรากอกว่าทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดที่วัดของเราได้สร้างมาเป็นเวลาระยะยาวนานมีผู้ล้มหายตายจากไปก็หลายคน แล้วก็พวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลปีหนึ่งก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกรณคุณของวัดหรือว่าทั่วไปเลยแหละนะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติถ้าหากว่าผู้ใดได้ยินแล้วก็มาทําบุญร่วมกันแต่หลวงพ่อขนะดจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ญาติโกโหติกาของหลวงพ่อเหมือนกันปู่ย่าตายายวงสาคนาญาติของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะประมวลมาบ อ, อกประกาศอุทิส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกรณคูนเหล่านั้นดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นสิงสถิตอยู่ณนะที่ได้ทินไดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราจะได้ทําบุญอุทิศในวันที่11บเอ่ดกุมภาพันธ์ พฤศจศกกรา2560นะวันที่11นัปีนี้นะตรงกับวันมาฆบูชานะเราจะทำบุญตรงวันมาฆบูชานเนพรา ะ, ะนั้นขอประกาศแจ้งข่าวให้กับพวกเราคณะทา ญ, ญาิโยมหลวงหน้าไว้แต่เนิ่นๆน ะ, นะผู้ที่จะมาร่วมกว็ามาเชิญมาร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณร่วมกันในวันนั้นนะนะ แต่เมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้ยินข่าวข่าวความล้มตายแต่จะความสลดสังเวชใจแม้ก็ใช่ละพราะว่ากดอันนี้จังทุกขังอนาตาเกิดแก่เจ็บตายจะต้องได้ยินถ้าเรายืนไปตลาดก็ยิ่งได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่ในที่ถ้าอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ไกลแล้วก็ฟังเอาไว้ถ้าอยู่ใกล้เนี่ยมันก็จะเทือนฮะจะเทือนความรู้สึกนะ แต่นี่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนะี่คืออาจารย์เจริญวัดสวนแสงธรรมของเรานะ่ะที่วัดหลวงตาตั้งแต่หลวงพ่อไปอาจารย์เจริญเนี่ยก็เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นลูกน้องของอคุณชายป๋ำคุณชายป๋ำเป็นประธานอาจารย์เจริญเนี่ก็เป็นผู้ดาเนินการพาไหว้พระสวดมนต์ดูแลผีน้องประชาชน เข้ามาในสวนแสงธรรมตรวจตราทุกสิ่งทุกอย่างถวายประตูปัจจัยพระสงฆ์เมื่อนิมนต์พระสงฆ์มาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนอาจารย์เจริญเป็นหัวเลียวหัวแรงอท่านก่อเกษียณอายุราชการมาแล้วท่านก็เข้ามาสูว่วัดวาจาศาสนาท่านก็เป็นผู้เป็นนักวิชาการนะเขียนตำราเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์นี่หลายเล่มทีเดียวอไม่ใช่ธรรมดานหวมไร้ทีริงล่ะอาจารย์เจริญแต่เนี่นเขามาอยู่ที่ดูแลเรื่องสวนแสงธรรมแต่วันดีคืนดีลงไปเมื่อคาวก่อนบอกว่าอาจารย์ไม่สบายอก็ไปหาหมอที่จุฬาหมอเขาตรวจว่าเป็นมะเร็งออพอมะเร็งทีนี้ก็โยมที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อมากระซิบกระซาบว่า อที่เป็นอาจารย์หมอเหมือนกันมาบอกว่าอาจารย์เจริญอาการหนักได้หลงพ่อนะอา้าวเป็นไรวะเป็นมะเร็งในระยะที่สนะี่ะโอ้ตายนะเป็นที่ไหนเป็นที่ตับอีกต่างหากเพราะนั้นหลงพ่อเอายังไงวะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่นั้นก็เข้าไปหาหมอท่านก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วหลงพ่อก็ถามท่านเป็นไงอาจารย์ท่านก็บอกว่าผมกระชัาใจไปหน่อย เพราะว่าแม่ของผมก็เป็นมะเร็งพี่ชายก็เป็นมะเร็งตายก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมก็ระวังตัวเหมือนกันผมก็ไปตรวจดูสุขภาพก็เป็นไวรัสบีเนี่ยผมก็รักษาอยาทานเกี่ยวกับเนี่ยนะไวรัสบีแต่ผมก็ไม่ได้ไปตรวจเพราะว่ากินยาเกี่ยวกับมะเร็งอยู่แล้วเอายามาคล้ายคล หมออามาให้แล้วก็ทานไปก็ไม่ได้ตรวจในรายละเอียดนะแต่พอไปตรวจจริงเข้าไปแล้วไปเจอจังบลเลอร์เลยเาจากนั้นก็นี่อาจารย์ก็อยู่ไม่นานาทราบข่าวมาก็ไม่ถึงเดือนมั้งเดือนหรือสองเดือนไปถึงสองเดือนอาจารย์ก็ได้มรณะไปเมื่อวานสองโมงสีสสงงส่สิบนาทีบ่ายสองมงสี่สิบนาที เขาก็แจ้งข่าวมาแต่หลวงพ่อก็อคิดว่าออืหลวงพ่อคือคิดจะลงไปอีกเหมือนกันนะไปงานศพของท่านบดเป็นผู้มีอุปกรณคุณอของวัดของพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตาของเราถือว่าถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นะแต่ทันใดท่านก็เลยบอกว่าจ ะ, ะจะพระราชทานเพลิงหรือประชุมเพลิงนะคงคงจะเป็นประชุมเพลิงมากกว่านะวันนี้นะ อยอย่างงั้นก็ลงไปไม่ทันตีแรกลงพ่อก็คิดว่าจะให้ท่านรัตนะลงไปแทนแต่ลงไปไม่ทันเออเอาละไม่เป็นไรนเผ า, าแล้วก็แล้วนะตายแล้วจะทำไง เ, เมื่ออยู่ดีแล้วก็เ อ, เอาประกอบคุณงามความดีไปสั่งสมบุญกุศลต่อกันไปแนะนำสั่งสอนบอกกลา่กลาวกันไปแล้วก็เป็น ญาติที่ทำกันไปบำเพ็ญคุณงามความดีแต่เมื่อตายไปแล้วก็ทําไงบุญคุศลของใครของเราละเท่นี่แต่ถึงยังไงก็ส่งกระแสจิตกระแสใจไปหาอาจารย์เจริญเหมือนกันน่ะดวงวิญญาณอาจารย์เจริญอสถิตอยู่ณที่ใดทินใดถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจเน้ออาจารย์เจริญเน้อะลวงพ่องไม่จะส่งกระแสจิตกระแสใจไปหาท่านนั่นะ จะทํำยังไงได้ก็ว่าวันนี้เระจะเป็นวันอืมพัดพระราชทธธานเพลิงหรือประชุมเพลิงหลวงพอ่อก็ไม่มั่นใจไม่ได้ถามในรายละเอียดนะอันนี้แหละอันนี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยก็นี่นะเกี่ยวเนื่องมันเกี่ยวเนื่องเอของวัดสวนแสงธรรมนะถ้าท่านผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยก็ถ้าอยู่ใกล้แล้วก็เอไปร่ว ม, มงานอาจารย์จรเจเดอเนอร์ลูกหลานสายยัทยาญาติโยม นี่แหละมาพูดถึงมรณะภยัยมรณะมรณังเมปวิสติมรณะังเมผวิสติอีกวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องตายให้คิดไว้ในใจเสมอถ้าว่าเราคิดไว้ในใจอย่างนี้ความทะเยอทะยานในโลกวัตฏะสงสารความโมโหโกธาโลภโกรธหลงพยาบาทอาฆาตจองเวียนกับตกโตกผู้ใดใครๆ ก็จะนดลดน้อยถอยลงมาเพราะเหตุไรเพราะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะถึงจุดจบเหมือนกันเราไม่ควรจะทำความชั่วเสียหายไม่ควรจะเบียดเบียนข่าหลังแกเบียดเบียนผู้อื่นข้าคนอื่นเขาแต่าว่าเราไม่ระลึกไม่ระลึกถึงความตายเนี่ยมันจะไปสุดโต่งนะขน้าสัตายาญาิโยมลูกหลานวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ะระลึกถึงความตายวันละ ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่แต่โลกทั้งโลกเขาก็บอกว่าถ้าระลึกถึงความตายทำให้จิตใจห่อเหี่ยวหดหูไม่อยากจะได้อะไรอันนั้นแปลว่าความคิดไปในทางที่ตัววิชาเข้ามาปิดบังถาว่าเป็นวิชาคือความรู้เข้ามาอยู่ในตัวของเขาแล้วเราจะต้องเดินไปตามเรื่องราว ว่าชีวิตของมนุษย์ชาติชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ในโลกนี้เป็นไปยังไงอันไหนเป็นอันไหอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นยังไงจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดรอบรู้ทั้งหมดทั้งตลอดเกิดมาทั้งต่อดไปถึงบั้นปลายของชีวิตถึงเรียนไม่เรียนรู้ในชีวิตของตนเองก่อนเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นที่เรารู้ ร, รู้เห็นเห็น นี่ถ้าหากว่าพวกเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วนะในชีวิตของเราเราควรจะวางตัวถูกปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่เราอยู่เมื่อเราเป็นพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่เป็นหัวหน้าหมู่พกเพื่อนในขณะนี้ควรปฏิบัติตนและวางตัวอย่างไรสมัยเมื่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มวางตัวอย่างไร จะไม่เป็นเนนสัมมาเนนวางตัวอย่างไรเมื่ออยู่กับพ่อกับแม่วางตัวอย่างไรเราจะมองมองเห็นตัวตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราเป็นลูกของพ่อของแม่เราเป็นลูกศิษย์ของครูบ า, าอาจารย์เราเป็นคณะสัตยาติโยมเราเป็นผู้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมวางตัวอย่างไรอย่าลืมตัวอย่าหลงตน แอนทุจักประมาณตน อ, อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าหาว่าคนอื่นเดือดร้อน <_ leg al> เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราใช่ไหมเพราะเราไปทําอะไรเราก็ต้องตรวจตราดูตนเองอีกเหมือนกันนะอไม่ใช่จะให้แต่เขาตรวจตราตัวตัวของเขาไม่ได้เราต้องตรวจตราดูของเราด้วยเราไปหยียบไปเหยียบตีนเขาจะไหมไปเหยียบไปเหยียบแข้งเหยียบข า, เ, าเหยียบเขาใช่ไหม ทําให้เขาทุกข์นะเราก็ต้องมองดูถ้าเราไปเหยียบเขาเราก็ต้องถอยโ อ, อ้ใช่เราไปเหยียบตีนเขาก็ร้องเ่ยสิมันเจ็บนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเอเราก็ต้องเมื่อมองเขาแล้วก็มองเราเราก็มองเราแล้วก็มองเขาตนะาหักเขาเออมีแต่ไม่มีเรื่องมีราวมีแต่หาเรื่องใส่คนอื่นเขานะ่ะอันนี้เราก็รู้อีกเหมือนกัน มันไม่ใช่สถานะที่เขาจะทําอย่างนั้นเราก็ควรจะทํำยังไงควรจะแก้ไขยังไงควรจะทําความเข้าใจอย่างไรถ้าทําความเข้าใจอย่างไรก็ยังไม่เข้าใจกันเอาเอาคนอื่นไปจับสิกฎหมายมีอยู่แล้วนะดําเนินตามกฎหมายต่อไปพอเหตุไรเพราะมันทําไม่ทุกนะการอยู่ด้วยกันจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงเรนะี่องเหล่านี้มันมีขั้นตอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ที่พูดทางนี้ทางนั้นนี่แหะการอยู่ด้วยกันต้องมีถ่อยทีถอยอาศัยกันผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้มีกำลังผู้มียศถาบรรดาศักผู้ด้อยศักหรือว่าผู้อยู่ใต้อานาจมันไม่ต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะนะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็ก มันก็พึ่งพาอาศัยกันคนละแนวคนละอย่างกันเหมือนกันนี่แหละการอยู่ด้วยกันถ้าหากว่ามีศีลมีธรรมเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันผาสุกนะลูกหลานนะถ้าอยู่ด้วยกันด้วยกิเลสราคะโทสะโมหัโลรโกรธหลงใส่กันแล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเนละหาที่สุดหาที่นหาที่สิ้นที่สุดไม่ได้นะมีตะเลาะทะเลาะกัน อมีแต่จะห้หามหันกันอมีแต่นั่นนะ่ะพักของข้าพวกของข้าตระกูลของข้ากลุ่มของข้าวัดของข้าเอถ้าไม่ใช่วัดของข้าแล้วกันนะั่นรังแกเบียดเบียนสิ่งเหล่านั้นละ่ะตัวกิเลสทั้งหมดเอาการอยู่ด้วยกันจะทํายังไงได้อมันมันเป็นมนุษย์นะ่ะเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ชาติไทยเหมือนกันขาทิ้งทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่อง ถ้าไม่ใช่ตัวของเรามันเป็นสัตว์ที่ระชาาทิ้งทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันต่างคนต่างคิดอย่างนั้นขึ้นมาล่ะเอาล่ะท่านใอจะหาความสุขไม่ได้แลยท่านใเพราะต่างคนก็ต่างเบียดเบียนซึ่งกันและกันกันของตนเองกันอาณาจักรของตนเองถ้าว่าต่างคนต่างถอยที่ถอยอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกัน วัดวาก็อาศัยกันศาสนาก็อาศัยชาวบ้านชาวบ้านก็อาศัยพุทธาาศาสนาเพราะพุทธาาศาสนาก็พึ่งพาอาศัยพี่น้องประชาชนคนและอย่างกันพระพุทธาาศาสนาก็สอนคนให้เป็นคนดีให้มีน้ำใจให้มีเมตตาให้มีสัมมาคารวะจากนั้นก่อนเนี่ยหาทางพ้นทุกข์ในวัตะสงสารอย่ามาเวียนไหวตายเกิดเนอ พระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ให้เกิดนันคือกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเราชาระกิเลสออกจา ก, กจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการนี่แหละอันนี้พวกอันนี้พวกเราก็ต้องศึกษาศึกษาแต่ตามไม่จริงตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วมันก็ทกจริงๆอย่างที่ว่าถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหน ล่ำรวยขนาดไหนแต่เมื่อถึงข่าวมาใจจะขาดมามันทุกข์จริงๆหายใจไม่เขา่าตะลีตะเหลือ ก, กระเสือ ก, กระสนใจจะขาดพอขาดไปแล้วก็เอาจบไปเกิดมาพบนายชาติหน้าอีกเป็นเด็กขึ้นมาอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวเล่าเรียนการศึกษาอีกต่อไปกระเทาแก่ชะลาก่อนที่จะตาย้าไปนั่นแนหะตะลีตะเหลือ ก, กระเสือ ก, กระสนใจจะขาดอีกตายอียทกทุกข์เอก เกิดมาอีกชาติหน้าอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดพราะพรุทธเจ้าท่านว่าที่พาไปเกิดนั่นน่ะในภพภูมิต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเน่เพราะอะไรท่านไปค้นคนว้าศึกษาที่โคลนต้นโพน่ท่านจิตเป็นนั่งสมาธิเห็นสมาธิพอมีสมาธิแล้วกวิปัจจนาการกรองไตรตรองคือกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าท่านจึงชำระกิเลส จ, จากพระไทยของพระองค์พระชัยขององค์จึงบริสุทธิ์ด้วยตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจากนั้นท่านก็พ้นทุกในวัฏฏะสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการนี่แหละขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะี่ยจะว่างมากไม่ก็มาก8ป0 0 0สี่พันพระธรรมขันธ์ ถ้าจะว่าน้อยไหมก็น้อยออมีศีลสมาธิปัญญานะทางภาคปฏิบัติจะมากว่ามากไหมก็ว่ามากนะทุกวันนี้ส า, ายนั้นส า, ายนี้ไม่รู้กีก่สายที่พวกเราได้ศึกษาสายที่เบตสายเนปาลสายศรีลังกาพมา่าโยบหนอพองหนอเพ่งดวงแก้วสายหลงปูมั่น ต้องมีลายสายแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาแท้ๆนะถ้าเราศึกษาดูให้จริงจังแล้วนะั้นสมาธิคือทำจิตใจให้สงบให้เน่งวิปัชนาคือการกรองไตรตองเหตุและผลในเรื่องจิตตภาวนานะแต่เรื่องทานเรื่องศนนีันั้นอีกส่วนหนึ่งนะเรื่องทานคือการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละต่อการต่อพี่ต่อน้อง ตัววงสาคานายาติต่อใครต่อใครที่อยู่ด้วยกันนับแต่สองคนขึ้นไปต้องมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันต้องมีการเสียสละต่อกันอันนี้คือว่าฐานะศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษการอยู่ด้วยกันต้องระวังระวังการกระทําและการพูดอย่าให้กระทบกระแทกกันอันนี้ก็คือศีลส่วนสมาธิคือส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ ที่จะตัดภพตัดชาติในหลักของพุทธศาสนานั้ไม่มากนะกรัศาศาาตธาญาิโยมคือสมถะและวิปัสสนาเท่านั้นแหะแต่ตอนนี้มันมาแยกออกไปเพ่งอย่างนั้นเพ่งอย่างนี้กระสินอย่างนั้นกระสีนอย่างนี้ อ, อนิพานเป็นอัตตาอย่างนี้ น, นิพานเป็นอนัตต า, านี่นมาเถียงกันอีกแล้วแต่แต่ตามไม่จริงหลักจริงๆของพุทธะเนี่ยที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้สมถะคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้เน่ง พอจิตใจเป็นหนึ่งแล้วก็นําจิตใจผ่านความสงบนั้นนํามาพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลให้เห็นตามความเป็นจริงเราเกิดมาแล้วทุกชัยไหมอันนี้จ้งของไม่เที่ยงใช่ไหมเจ็บใครได้ป่วยใช่ไหมตายแน่แน่ใช่ไหมตายแล้วเน่าเปื่อยเป็นอสุภะเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟใช่ไหมร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเมื่อจิตใจผ่านสมาธิมาแล้วมันจะเห็นเห็นตามความเป็นจริงเลยยอมรับทั้งหมด ในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะจากนั้นกับมองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราเป็นหลงในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมก็เมื่อมองเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจพอใจของเรามีสมาธิไงใจของเรามันนน่งอยู่แล้วนะี่ยใจที่เป็นสมาธิที่ผ่านสมาธิคือผ่านความสงบไปแล้วนะใจมันนน่งแล้วก็มองเห็นใจตัวเองได้ชัดเจนอีกเหมือนกันไยใช่ใจตัวนี้เป็นหลงเขาไปหลงเรื่องต่างๆ คิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าจะเป็นของทรัพย์สมบัติในโลกอยากจะได้ลาบไรยศใหญ่แต่ลาบไรยศได้สรรเสริญเยินยออยากจะได้ทั้งหมดในจั ก, กรวาลมาเป็นของตนเองให้เด่นให้ดังกว่าเพื่อนทั้งหมดในมนุษย์โลกเ อ, อเทวโลกเท่าโลกบนโลกไม่มีที่สิ้นสุด อ, อถ้าโกรธให้ใครก็โกรธคนอื่นโง่ไปหมดตัวเองฉลาดคนเดียวลักษณะอย่างนั้นล่ะ นะกิเลสนะกิเลสของมนุษย์มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสมถแะและวิปัสสนาสรุปแล้วก็คืออย่าหลงอย่าลืมตัวเองนั่นะเป็นหลักใหญ่นะตอนน่อไปหลวงพระสงค์จะอนุโมทนาให้พรัพนะพรนัตตเนน่นะ